อาตมาเวลาสอนคนที่อื่นเนะี่ยบางทีใช้คำว่าแงะรู้จักไหมรู้จักใช่ไหมมันเป็นภาษาบ้านนอกหน่อยแง่เนี่ยนะคือหันไปนิดหนึ่งแงะไม่เคยได้ยินใช่ไหมบ้านอาตมาอยู่บางประกงเนี่ยยังมีคำว่าแง่อยู่นะ ไปสอนคนที่นครสวรรค์ก็บอกใช่เขา ย, ยังใช้อยู่นะ <laughs> แต่ใช้กับควายโอ้เราไปสอนคนซะแล้วเอาเป็นว่ามันแค่ดูนิดหนึ่งดูนิดหนึ่งดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะอย่างที่บอกแล้วว่าจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปต่อเนื่องกันนะทีละดวงด้วยนะดวงนี้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดกิเลส มันดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่จะไปดูสิ่งนั้นแล้วเกิดกิเลสต่อก็หันไปดูเมื่อกี้หน่อยนึงว่ามีอะไรเกิดขึ้นตอนหันไปดูเนี่ยจะเห็นกิเลสนะจึงจะเรียกว่าเกิดสติใช่แต่เอาสติตอนนี้เป็นสติที่ตั้งใจดูยังไม่ใช่สติที่ที่ต้องการนะยังไม่สติที่จะพร้อมพอที่จะไปถึงปัญญานะแต่มันต้องต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อนไม่งั้นเราไม่มีทักษะ หันไปดูหน่อยว่าเมื่อกี้นี้เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นเป็นการดูแบบแบบอะไรสร้างความเคยชินอันใหม่ความเคยชินเดิมๆคือเรามักจะไปรู้ข้างนอกแล้วก็หลงไปโกรธคนข้างนอกหลงไปรักข้างนอกหลงไปพอใจหรือไม่โกรธไม่หลงก็เหม่อเหม่อลอยแล้วไม่รู้เลยว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงสําหรับเราเนี่ยก็คือเน้นหนักไปที่ว่าใจเป็นยังไงไม่รู้เลย แล้วก็ครูบาอาจารย์บอกให้ดูพี่เลี้ยงบอกให้ดูหันมาดูหน่อยตอนเนี้ต้องคล้ายๆว่าบังคับมันนิดหนึ่งฝึกมันฝึกมันหันมาดูนะว่าเฮ้ยมื่อกี้ก็อะไรขึ้นเมื่อกี้ก็อะไรขึ้นนี่นะแล้วบอกแล้วว่าจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสวยอารมณ์แล้วเกิดกิเลสนะนะดับไปเนี่ยมันจําเอากิเลสเอาไปด้วยมันจํากิเลสคือมีกิเลสนอนเรื่องเอาไว้